ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้กลับมาติดตามชีวิตโยคีกันต่อค่ะมาถึงตอนที่22แล้วนะคะจากหนังสืออาตาชีวประวัติของโยคีที่เขียนโดยโยคีท่านปรมาหังษายโยคานันทะซึ่งเป็นโยคีชื่อดังของอินเดียแล้วก็ไปโด่งดังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่สหรัฐอเมริกาค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างจะเล่ายากทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมี ข้อมูลเนื้อหาเรื่องราวที่บริบทอ า, อาจจะดูยากแล้วก็ดูแตกต่างมีความพิเศษไปจากที่เราเคยรับรู้กันมานะคะก็พยายามที่จะคัดสรรเรื่องที่จะเล่าให้คุณได้ฟังแบบง่ายๆจุดประสงค์ของการนำเสนอเรื่องนี้ก็คืออยากจะให้ได้เรียนรู้กับ วิถีชีวิตของโยคีซึ่งเป็นนักบวชผู้ปฏิบัติโยคะในทัศนะของทางฮินดูนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งอารย ะ, ะเป็นคืออินเดียเนี่ยเป็นแหล่งอารยาธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเราเองนี่ก็รับอะไรมาจากอินเดียเยอะทั้งทางโลกทางธรรมเพราะฉะนั้นกับวิถีชีวิตของโยคีจริงๆจึ ง, จงน่าสนใจค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็อาจจะรู้ รู้จักโยคีแค่เรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นความจริงนะคะรู้แค่ว่าโยคีเป็นคนที่แต่งตัวแปลกๆนอนบนตะปูคื อ, อรู้ในแนวทางของความเชื่อแล้วก็การเล่าขานสืบต่อกันมาซะเยอะแต่ว่านังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นโดยคนที่เป็นโยคีจริงๆนะคะ เป็นโยคยีรุ่นใหม่แล้วก็เป็นโยคยีที่ไปโด่งดังในหมู่ของชาวตะวันตกด้วยค่ะเรื่องราวจึงมีมิติที่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อวันนี้มาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องของชีวิตโยคยีถ้าคุณฟังสนใจอยากจะอ่านเต็มๆนะคะก็สามารถไปหาอ่านได้ชื่อหนังสือว่า อัตชีวประวัติของโยคีท่านประมาหังษาโยคานันทะนะคะเอาละถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าตอนที่ท่านบาบาจีฝากท่านศรียุคเตสวนมาบอกท่านลาหิริมหัศยะท่านลาหิริมหัศยะก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนั่นก็คือว่า ร่างของท่านเนี่ยสั่นสะท้านจากนั้นก็นั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่นานสามชั่วโมงผ่านไปท่านจึงกลับสู่ภาวะปกติลูกศิษย์ลูกหาจึงพากันโล่งอกเรื่องราวนี้มีอะไรที่น่าสนใจท่านบาบาจีต้องการจะบอกอะไรกับท่านลายฮิริมหายสยะติดตามได้เลยนะคะกับวันนี้ตอนที่22ค่ะ พระสียุคเตสวนเล่าให้ท่านโยคานันทาฟังบอกว่าจากปฏิกิริยาของท่านลาฮิริมหัสยะทําให้ท่านได้รู้ว่าข่าวที่ท่านบาบาจีฝากมาบอกเนี่ยเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานท่านลาหิริมหัสยะจะต้องละจากกายสังขาร น, นี้ไปการที่ท่านนิ่งเงียบ อย่างน่าตกใจก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้รู้ว่าท่านได้เข้าคุมจิตวิญญาณของท่านโดยไม่รังรอเพื่อตัดสายใหญ่เส้นสุดท้ายแห่งความผูกพันกับโลกแห่งวัตถุธาตุที่ขาดสนิทจริงๆแล้วถึงท่านบาบาจีกับท่านลาฮิริจะรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งปวงและก็ไม่จำเป็น จะต้องอาศัยใครมาเป็นคนกลางหรือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารคือจริงๆท่านเนี่ยสามารถที่จะโทรโทรจิตนะคะสื่อสารกันได้โดยตรงแต่ครูบาอาจารย์ก็อุตส่าห์ลดตัวลงมาแสดงบทบาทไม่ให้ต่างจากมนุษย์โดยทั่วไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าบางครั้งเนี่ยท่านก็จะถ่ายทอดคาทานาย ผ่านมาทางผู้นําข่าวสารตามวิถีทางของโลกและเมื่อเรื่องปรากฏเป็นจริงตามคําทํานายของพวกท่าน mm. ก็จะเกิดศรัทธาอันแก่กล้าในหมู่ผู้คนจํานวนมากที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านั้น mm. คือท่านมีเหตุผลและก็มีจุดประสงค์นะคะในการที่จะส่งข่าวผ่านทางบุคคลที่3หรือว่าคนกลาง mm. เพื่อให้เกิดความศรัทธา อันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นต่อไปนั่นเองในไม่ช้าค่ะท่านศรียุคเตสวนก็จากภารณสีมาตั้งต้นเขียนหนังสือศาสนาเปรียบเทียบตามความประสงค์ของท่านบาบาจีที่เซรามปอท่านบอกว่าทัานทีที่เริ่มจับงานท่านก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเขียนบทกวีเทิดทูนท่านมหาคุ ร, รุบาบาจี ปรากฏว่าบทร้อยกรองอันไพเราะลื่นไหลออกมาจากปลายปากกาของท่านโดยไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างใดทั้งทงที่ตัวท่านเองเนี่ยไม่เคยลองแต่งบทกวีภาษาสันสกฤตมาก่อนเลยสักครั้งแต่ก็แต่งได้แล้วก็ไหลออกมาเองหลังจากนั้นไม่นานนะคะเมื่อหนังสือ The Horizons เขียนเสร็จเรียบร้อยสำหรับหนังสือเล่มนี้ปัจจุบันจัดพิมพ์โดยสมาคมเซลฟเรียไรเลชันเฟลโลชิฟลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียนะคะพอท่านสียุคเตสวนเขียนหนังสือเสร็จเช้า ว, วันรุ่งึ้นค่ะท่านก็ออกไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาที่ท่าน้ำที่ชื่อว่าทาราอีคาด ถ้านั้นในตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนท่านก็ลงไปอาบน้ำแล้วก็เดินกลับบ้านทีนี้ตอนที่เดินผ่านต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำก็เหมือนกับมีอะไรมาโดนใจให้หันกลับไปมองค่ะปรากฏว่าเห็นท่านมหาครุ บ, บาบาจีเนี่ยนั่งอยู่ นั่งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของสารุสิตสองสามคนจากนั้นท่านบาบาจีก็กล่าวว่าสวามีขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าเรารู้ว่าเจ้าเขียนหนังสือสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาที่นี่เพื่อขอบใจเจ้าตามที่ได้สัญญาไว้ท่านศรียุคเตสวนก็ดีใจมาก รีบก้มลงกราบแทบเท้าของท่านด้วยใจที่เต้นระวะัวบ้านกระผมอยู่ใกล้แค่นี้ท่านจะไม่เมตตาพาคณะสิทธ์แวะไปพักให้เป็นบุญแก่ตัวกระผมบ้างเชียวหรือขอรับไม่ละเราเป็นพวกอยู่ตามโคนไม้ที่ตรงนี้ก็สบายดีอยู่แล้วถ้าเช่นนั้นโปรดรอสักครู่เถิดขอรับกระผมจะรีบไปเอาขนมข้าวต้มมาถวาย ท่านสียุคเตสวนก็วิ่งบวนท่านแต่ปรากฏว่าพอท่านย้อนกลับมาอีกในเวลาไม่กี่นาทีให้หลังพร้อมจานอาหารขนมนมเนยก็ไม่ปรากฏว่ามีคณะของท่านบาบาจีกับลูกศิษย์อยู่เลยไม่เห็นแม้แต่เงาหายไปหมดเลย mm hmm. ท่านสียุคเตสวนก็เดินหาไปทั่วละแวกท่าน้ําแล้วท่านก็น้อยใจ น้อยใจว่าท่านเนี่ยแรงน้ำใจจะไปก็ไม่ร่ำลากันแม้แต่คําเดียวนะคะนึกในใจว่าต่อให้พบกันครั้งหน้าเนี่ยจะไม่เข้าไปพูดคุยกับท่านอีกแล้วโกรธเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนค่ะท่านศรียุกเตสวนแวะไปเยี่ยมท่านอาจารย์ลาหฮิริมหัสยะที่พาราณสีเมื่อท่านลายฮิริเห็นท่านศรียุกเตสวนเข้าไปในห้องรับรองท่านก็ยิ้มรับ แล้วก็ทักทายบอกว่าสวัสดียุคเตยสวนเมื่อกี้นี้เดทพบท่านบาบาจีตรงธรณีประตูห้องหรือเปล่าไม่พบนี่ขอรับเข้ามาใกล้ๆนี่ท่านยื่นมือมาแตะที่หน้าผากของท่านสียุคเตยสวนเบาๆท่านใดนั้นนะคะท่านสียุคเตยสวนก็มองเห็นท่านบาบาจีอยู่ใกล้ๆประตู ทีนี้ท่านศรียุคเตสวนนี่ก็ยังเคือเค่องเขื่องตอนที่ท่านนีเอ่อคือตอนที่ท่านบาบาจีเนี่ยหนีกลับก่อนโดยไม่ยอมรอท่านที่ไปเอาขนมเอาอาหารมาถวายท่านศรียุคเตสวนก็ไม่ยอมเข้าไปกราบท่านลาฮิริมหาสยะก็มองลูกศิษย์อย่างแปลกใจแต่ว่าท่านบาบาจีเนี่ยไม่แปลกใจ ท่านบาบาจีถามว่าเจ้าโกรธเราท่านสียุคเตสสวนก็บอกว่าก็ทำไมจะไม่โกรธละขอรับจู่ๆท่านกับคณะลูกศิษย์ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วจู่ๆก็หายตัวไปเสียอย่างนั้นท่านบาบาจีหัวเราะเบาๆก่อนจะบอกว่าเราบอกว่าจะมาหาเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะอยู่นานแค่ไหนเจ้าตื่นเต้นเหลือเกินนี่ เรายืนยันได้ว่าที่คณะของเราหายไปกับอากาศธาตุก็เพราะกระแสะความตื่นเต้นจากตัวเจ้าเป็นเหตุคาชี้แจงแบบไม่รักษาน้ำใจนี้ทำให้ท่านสียุคเตสวนพอใจค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าตอนนั้นท่านก็ตื่นเต้นจริงๆท่านก็คุกเข่าที่แทบเท้าของท่านบาบาจีท่านบาบาจีก็ตก บ, บาแล้วก็บอกว่าให้ภาคเพียรปฏิบัต ให้มากกว่านี้ดวงตาของเจ้ายังไม่ใสกระจ่างอย่างเต็มที่จะมองไม่เห็นเราที่เร้นกายอยู่เบื้องหลังแสงอาทิตย์สิ้นทอยคำร่างของท่านก็เลือนหายไปท่ามกลางแสงอันส่องสว่าง จากนั้นพอถึงฤดูร้อนของปี1895ค่ะตันหลายฮิริมหัสยะก็ไม่สบายมีฝีเกิดขึ้นที่กลางหลังท่านไม่ยอมให้หมอผ่าเอาออกด้วยนะคะเพราะว่าต้องการอาศัยความเจ็บไข้ครั้งนี้เนี่ยลบล้างบาป ก, กรรมให้กับสิทธ์บางคนสุดท้ายเมื่อสิทธ์ทั้งหลายยืนกราน ท่านก็ตอบเป็นปริศนาว่าสังขารต้องหาเหตุเพื่อให้ดับศูนย์ไปเอาเถิดเราจะทำตามที่พวกเจ้าต้องการผ่านไปไม่นานนักทลายฮิริมหัสยาก็ละสังขารที่พาราณสีหลายปีต่อมา สิทธิ์คนหนึ่งของท่านลาฮิริมหาศยะคือท่านสวามี เ, าเกสพานันทะก็เล่าให้ท่านศียุกเตสวนฟังว่าไม่กี่วันก่อนที่ท่านลาหิริจะละสังขารท่านได้มาสําแดงกายให้ท่านเกส เ, เกสพานันทะเห็นตอนที่ท่านเกสพานันทะเนี่ยนั่งอยู่ในอาสมของตัวเองที่หอรัฐวาน ท่านลาฮิริสั่งบอกว่ามาพาระสีเดี๋ยวนี้แล้วท่านก็หายวับไปท่านเกสพา น, นันทะก็รีบขึ้นรถไฟมาพาระสีทันทีพอไปถึงก็เห็นสานุสิต ร, รวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมากวันนั้นท่านลาฮิริมหัศยะอธิบายความในคำพีพระกวัดขีตาให้ฟังนานหลายชั่วโมง จากนั้นก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเราจะกลับบ้านแล้วลูกศิษย์ก็พากันร้องไห้เสียใจแต่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องเป็นทุกข์ไปท่านจะกลับฟื้นคืนมาแน่แล้วท่านก็ลุกจากที่นั่งหมุนตัวสามครั้งนั่งลงขัดสมาธิเพชรหันหน้าไปทางทิศเหนอือย่างจิตลงสู่มาหาสมาธิด้วยราศีอันสูงส่ง ร่างของท่านลาฮิริมหัศยะถูกนำไปประกอบพิธีชาปนากิจตามธรรมเนียมของครือหัสที่ท่ามณีกันนิกาคาสนริมฝั่งแม่น้ำคงคาวันรุ่งขึ้นเวลาส0บโมงเช้าขณะที่ท่านเกสพานันทะอยู่ที่พระนศีท่านลาฮิริมหัศยะก็ปรากฏร่างขึ้นต่อหน้าท่านเกสพานันทะ เป็นร่างที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตดูเหมือนร่างเดิมไม่มีผิดแต่หนุ่มขึ้นแล้วก็มีราสีพองใสขึ้นทนายฮิบริมหัสยะได้บอกกับท่านเกสพา น, นันทาว่า<ม>เราเองเมื่อร่างเราถูกเผาอนุก็แตกกระจายออกไปแต่เราได้รวมอนุเหล่านั้นเข้าด้วยกันใหม่และฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง ภาระหน้าที่ในฐานะเครืงหัดของเราในโลกนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วแต่ใช่ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเสียเลยทีเดียวนับจากนี้ไปเราจะไปอยู่กับท่านบาบาจีที่หิมาลัยสักระยะหนึ่งและจะอยู่กับท่านในจักรวาลต่อไปแล้วท่านก็พึมพำให้พรก่อนจะหายวักไป อันนี้คือประสบการณ์ของท่านเกสพานันทะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่ได้พบกับเรื่องราวมหัศจรรย์ศิษย์อีกคนหนึ่งที่ได้เห็นท่านลาฮิริมหัศยาฟื้นคืนชีพก็คือท่านปัญจานนภัตตาจาร์เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณงามความดีทันยคานันทะก็เคยได้ฟังเรื่องราวสมัยที่ท่านได้รับใช้อยู่ใกล้ชิด ท่านลายฮิริมหัศยะเป็นเวลาหลายปีท่านก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ตอนที่ท่านลายฮิริมหัศยะกําลังจะละสังขารคือตอนสิบโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นหลังจากวันทําพิธีเผาศพหรือว่าชาปนากิจกายสังขารของท่านลายฮิริมหัศยะท่านลายฮิริ ก็ได้มาปรากฏตัวให้ท่านปัญจานนเนี่ยได้เห็นหรือว่าท่านสวามีปราณพานันทะก็เคยเล่าเรื่องราวเหนือโลกที่ท่านเคยประสบมาอย่างละเอียด ท่านบอกว่าไม่กี่วันก่อนหน้าที่ท่านลาหิริมหัสยาจลสังขารท่านได้รับจดหมายแล้วก็สั่งให้ไปที่พารณสีทันทีคือสั่งให้ไปหาแต่ก็มีเหตุอันเลี่ยงไม่ได้ทําให้ท่านปราณพานันทะไม่อาจจะออกเดินทางได้ในทันทีรอจนกระทั่งเสร็จธุระแล้วท่านก็เก็บข้าวของจะรีบไปพารณสีตอนนั้นเป็นเวลาราวสิบโมงเช้าจู่จู ท่านก็เห็นบางอันเบืองรองของท่านลาฮิริปรากฏขึ้นในห้องท่านลาฮิริก็พูดกับท่านยิ้มยิ้มบอกว่าจะรีบไปพรณนศีทาไมกันเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วทันทีที่ทีออ่ท่านปราณพานันทะเข้าใจในยะในคำพูดของท่าน ท่านปราณพานันทะก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาแบบเสียใจมากว่าท่านอาจารย์เนี่ยคงไม่อยู่แล้วแล้วก็ร่างที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยคงเป็นเพียงภาพนิมิตท่านลาฮิริมหาสยะดูเหมือนว่าจะเข้าใจความรู้สึกของสิทธิ์ท่านก็เดินเข้ามาหาท่านปราณพานันทะแล้วก็บอกว่าให้จับเนื้อจับตัวท่านดู บอกว่าท่านยังคงมีชีวิตเหมือนเช่นที่เป็นมาตลอดอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยจากเรื่องราวของสิทธิเอกทั้งสามท่านนี้นะคะเรื่องราวความจริงอันน่าอัศจรรย์ใจจริงได้ถูกเปิดเผยออกมาท่านลาฮิริมหัสยะถูกเชิญร่างไปทำพิธีชาปนากิจแต่ท่านก็ได้ฟื้นคืนชีวิต ในร่างจริงที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็ปรากฏกายให้สิทธ์ทั้ง3ได้เห็นทั้งๆ ท, ที่แต่ละคนเนี่ยอยู่กันคนละเมือง die, เคยอ่านนิทานของอินเดียใช่ไหมคะที่บอกว่ามีวิชาชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีวิต <I am. S 1> หรือว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่รู้นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจจะยังเข้าไม่ถึงก็ได้การรวมอนูเข้าด้วยกันการรวมพลังงานให้เป็นสาสารการแยกสาสารให้เป็นพลังงานน่าสนุกนะคะบางครั้งอิทธิฤทธิปาฏิหารก็อาจจะเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้ เพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์อาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นเท่า น, นั้นเองมังคะพักสกครค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวการก่อตั้งโรงเรียนสอนโยคะในรันจีของท่านโยคานันทะค่ะ ทั้งหนึ่งท่านสียุคเตสวนเคยถามท่านโยคานันทะบอกว่าทำไมถึงรังเกยียจงานบริหารองค์กรเหลือเกินท่านโยคานันทะก็บอกว่าเป็นงานที่เสียทั้งขึ้นทั้งล่องคือไม่ว่าตัวหัวหน้าจะทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยก็ยังตกเป็นขี้ปากคนอยู่ดีท่านสียุคเตสวนก็เลยถามบอกว่าจะเก็บ เ, เนยแข็งทิปเอาไว้กินคนเดียวหรอถ้าบรรดาครูอาจารย์ ไม่ได้มีน้ำใจกว้างขวางยินดีถ่ายทอดความรู้ให้สิทธิ์สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเนี่ยมีหรือที่ท่านโยคานันทะ ก, กับคนอื่นๆจะมีวิชายโยคา้ฝึกฝนจนสามารถเข้าถึงพระเป็นเจ้าได้เช่นนี้แล้วท่านก็นถามว่าพระเป็นเจ้าคือน้ำพึ่งองค์กรต่างๆคือรังพึ่ง ทั้งสองสิ่งล้วนจำเป็นจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ถ้าไร้ซึ่งจิตวิญญาณกายยากจะเป็นสิ่งใดก็ไร้ประโยชน์แล้วทำไมเธอถึงจะไม่สร้างรวงรังอันอุ่นหนาฝาคัาง่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำทิพย์แห่งจิตวิญญาณเล่าแนวคิดเรื่องการให้การศึกษาที่ถูกต้องกับเยาวชน ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของท่านโยคานันทะเสมอมานะคะต่อมาค่ะท่านจึงตัดสินใจก่อตั้งโรงเรียนชายขึ้นแห่งหนึ่งในเริ่มแรกท่านได้รับเด็ก7คนมาอบรมสั่งสอนที่หมู่บ้านเล็กๆในเบงกอลชื่อหมู่บ้านทีฮิกะ ผ่านไปหนึ่งปีค่ะนักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่านก็ย้ายมาอยู่ที่รันจีรันจีอยู่ในรัฐพิหารห่างจากกาลกาตา200ไมล์เป็นเมืองที่อากาศดีมากวังกาซิมบาซาในตัวเมืองรันจีเป็นอาคารหลักของโรงเรียนแห่งใหม่ที่ท่านโยคานันทะให้ชื่อว่า โยโคทะสั์สังฆพรามาจารย์วิทยาัยแล้วท่านก็เปิดหลักสูตรชั้นประถมและมัธยมค่ะสอนวิชาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการพาณิชย์แล้วก็วิชาสามัญทั่วไปโดยยึดถือแนวคิดทางด้านการศึกษาของบรรดาฤาษีก็คือสมัยก่อนนี้ เด็กและเยาวชนของอินเดียโบราณก็จะอาศัยอาสมกลางป่าของท่านฤาษีเหล่านี้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทั้งในทางโลกและทางธรรมท่านโยคานันทะก็เอาแนวคิดทางด้านการศึกษาของฤาษีเหล่านี้นี่แหละคะ่ะมาเป็นแบบอย่างกําหนดให้การเรียนการสอนส่วนใหญ่กระทํากันกลางแจ้งนะคะคือเหมือนกับเป็นโรงเรียนใต้ร่มไม้อินเดียจะมีแบบนี้อยู่เยอะนะคะคือสอนกันแบบธรรมชาติจริงๆเลย นักเรียนที่รันจีจะได้เรียนรู้การทำสมาธิตามหลักโยคะตลอดจนวิธีการเสริมสร้างสุขภาพและร่างกายตามหลักโยโคทะที่ท่านโยคานันทะคิดค้นขึ้นในปี1916ค่ะคือท่านบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ไฟฟ้า ข้าพระเจ้าจึงอนุมานเอาตามหลักเหตุผลว่าเราย่อมอัดพลังงานเพิ่มเข้าไปได้โดยอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเราเองการกระทําใดๆจะประสบผลไม่ได้ถ้าปราศจากซึ่งเจตนาอันมุ่งมั่นมนุษย์เราจึงอาจนําเอาความมุ่งมั่นอันเป็นสิ่งกระตุ้นที่สําคัญที่สุดมาใช้ในการฟื้นฟูพละกําลังขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลให้ยุ่งยากแต่ประการใด โยโคทะเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราบรรจุพลังชีพซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ท้ายสมอง <c oughs> คือบรรจุพลังชีพจากขุมพลังจักรวาลที่มีอยู่นับอเนกอนันต์ขึ้นมาใหม่โดยมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาได้ในทันที <c oughs> เด็กๆที่นี่จะได้รับประโยชน์จากการฝึกโยโคทะ โดยสามารถพัฒนาความสามารถพิเศษในการโยกย้ายพลังปราณจากอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนหนึ่งทั้งยังทรงตัวอยู่ในท่าอาสนะยากๆได้อย่างไม่มีที่ติก็แสดงให้เห็นถึงพละกกำลังและความอดทนชนิดที่ผู้ใหญ่ตัวโตๆเนี่ยยังทำไม่ค่อยได้นะคะ พิสนุจรันน้องชายคนสุดท้องของท่านโยคานันทะก็เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบราจีนี้เช่นกันค่ะตอนหลังก็กลายเป็นนักเพากกายผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ได้พาลูกศิษย์คนหนึ่งเดินทางไปยังโลกตะวันตกเพื่อเปิดการแสดงพะละกกำลังและการควบคุมกล้ามเนื้อให้ผู้สนใจได้เข้าชมบรรดาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโคลอเบียที่นิวยอร์ก ตลอดจนมาหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายแห่งทั้งในอเมริกาและยุโรปต่าง ก, ก็อัศจรรย์ใจกับการสาธิตอำนาจควบคุมจิตที่มีอยู่เหนือร่างกายนะคะพอสิ้นปีแรกค่ะโรงเรียนที่รานจีก็มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนมากถึง 2,000 คนแต่ตอนนั้นเปิดปรับแต่นักเรียนประจำและก็รองรับได้เพียง100คน หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เปิดปรับแบบไปกลับด้วยคือตอนแรกเปิดปรับเฉพาะนักเรียนประจำแล้วก็มาเปิดปรับไปกลับทีหลังในวิทยาลัยนี้ท่านโยคานันทะต้องรับบทเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับเด็กๆแล้วก็ต้องรับมือกับปัญหาสารพันในการบริหารจัดการท่านบอกว่าการที่ท่านสละบ้านเรือน สละชีวิตทางโลกไม่มีครอบครัวกลับทำให้มีครอบครัวที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะท่านสียุคเตสวนก็ได้เคยกล่าวว่าคนที่สละซึ่งการแต่งงานและการเลี้ยงดูครอบครัวตามวิสัยโลกคล้ายๆกับว่าเพื่อที่จะมาแบกรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่กว่าคือการเข้าไปรับผิดชอบดูแลสังคมโดยรวม วันหนึ่งค่ะพ่อของท่านโยคานันทะก็มาที่โรงเรียนมาอวยพรให้ตอนแรกเลยเนี่ยพ่อท่านเขื่องที่ท่านโยคานันทะไม่ยอมรับปากเข้าทำงานกับบริษัทเดินรถไฟเบงกอลนาคาปุระตามคาของท่านแต่พอท่านมาเห็นโรงเรียนที่รานจี ท่านก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าลูกรักหนทางชีวิตที่ลูกเลือกตอนนี้พ่อเข้าใจและยอมรับมันได้แล้วเห็นลูกอยู่ท่ามกลางเด็กเล็กเด็กน้อยที่ร่าเริงและกระตือรือร้นเช่นนี้พ่อก็เป็นสุขเหลือเกินแล้วเจ้าเหมาะจะอยู่ที่นี่มากกว่าที่จะไปจอมจอมอยู่กับตัวเลขตารางเวลาเดินรถที่ไร้ชีวิตชีวาพวกนั้น เราเรียกว่ามีความเข้าใจอันดีกับพ่อที่เคยเคืองและก็เคยไม่เข้าใจเรามีที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ให้นำมาใช้ประโยชน์25เอเคอร์ไม่ว่า น, นักเรียนครูหรือตัวข้าพเจ้าเองต่างก็ชอบชั่วโมงทำสวนและกิจกรรมกลางแจ้งในแต่ละวันกันมาก เรามีสัตว์เลี้ยงมากมายหนึ่งในนั้นเป็นลูกวางน้อยที่พวกเด็กๆรักใคร่ได้ปรื่มกันมากข้าพเจ้าเองก็รักเจ้าวางน้อยมากจนยอมให้มันเข้ามานอนในห้องด้วยพอแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้ามันจะเดินต่อแตะมาที่เตียงให้ข้าพเจ้าลูบหลังลูบไหล่ให้ทุกเชา้าโรงเรียนที่รานจี เติบโตขึ้นจากโรงเรียนเล็กๆธรรมดาธรรมดามาเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในแคว้นพิหารและเบงกอลภาควิชาต่างๆได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในรูปของเงินบริจาคจากบรรดาผู้ใจบุญที่นิยมยินดีในการฟื้นฟูวิถีทางด้านการศึกษาของพรือศียุคโบราณขึ้นมาใหม่ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโรงเรียนสาขาในสังกัดขึ้น ทั้งที่มิทนาปอและลักษมณ์ปุระในขณะที่สาขาหลักคือโรงเรียนแม่ที่รันจีก็มีแนกแพทย์เอาไว้คอยให้บริการด้านการรักษาและหยูกยากับคนยากคนจนในละแวกใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีจะมีคนเข้ามารับบริการเฉลี่ยแล้วมากกว่า 1,800 0พันคนค่ะนอกจากนี้วิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในด้านการกีฬาและก็วิชาการ มีนักเรียนจบจากที่นี่หลายคนที่เข้าศึกษาต่อและก็ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในหนังสือมีรูปด้วยนะคะโดยพูดถึงโยโคทะสัตตสังคมัสสมาคมโยโคโยโคทะสัต สังฆมัสและก็อารามแห่งอินเดียที่รานจีซึ่งก่อตั้งโดยท่านปรมาหังษาโยคานันทะเมื่อตอนที่ท่านย้ายโรงเรียนสำหรับเด็กชายมายัางสถานที่ตั้งแห่งนี้เมื่อปี1918ปัจจุบันสาขาแห่งนี้ได้ทาหน้าที่ให้บริการแก่เหล่าสมาชิก YSS แล้วก็แจกจ่ายเผยแพร่คำสอนกิริยาโยคขะของท่านโยคานันทะไปทั่วอินเดีย นอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณศูนย์แห่งนี้ยังดูแลสถาบันการศึกษามากมายและเป็นโอดสสารลาที่ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าด้วยค่ะกลับมาที่เรื่องราวนะคะท่านโยคานันทาก็บอกว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาโรงเรียนที่รานจีของท่านเนี่ยได้เคยต้อนรับบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งชายและหญิง จากทั้งประเทศตะวันออกและตะวันตกแล้วก็ครั้งหนึ่งท่านสว่ามีปราณพานันทะโยคีสองร่างแห่งพระนสีก็เคยสละเวลาสองสามวันแวะมาเยืนบราญจีแล้วท่านก็บอกว่าท่านปลื้มใจที่ได้เห็นโรงเรียนเนี่ยนำแนวทางในการสั่งสอนอบรม ของท่านลาฮิริมหัศยะเอามาใช้แล้วท่านก็อวยพรให้หลังจากที่ท่านสวามีปราณพานันทะมายืนโรงเรียนที่รานจีได้พักใหญ่ท่านโยคานันทะก็ตามพ่อไปเยี่ยมท่านสวามีที่อยู่ในกาลากาต้าเป็นการชั่วคราว ตอนนั้นท่านก็นึกถึงคําทํานายที่ท่านสวามีปราณพานั น, นทะเคยกล่าวเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าฉันยังจะได้พบเธออีกครั้งพร้อมทั้งพ่อของเธอด้วยในขณะที่พ่อของท่านก้าวเข้าไปในห้องท่านสวามีก็ลุกขึ้นนั่งตรงเข้ามาสวมกอดพ่อของท่านโยคานันทะด้วยความเคารพรัก แล้วท่านก็บอกกับพ่อของท่านโยคานันท้าว่าพระเข้าาตีคุ้นมัวแต่ไปทำอะไรอยู่ไม่เห็นหรือว่าลูกชายตัวเองรุดหน้าใกล้พระเป็นเจ้าเข้าไปทุกทีแล้วจำไม่ได้หรือไงว่าทัลลาหิริมหัสยะมักพูดอยู่บ่อยๆว่าพนัดพนัดพนัพนชัย อันนี้เป็นคำพูดที่แปลตามตัวได้ว่าทำไปทำไปสักวันจะเกิดผลก็เหมือนกับว่าให้พยายามต่อไปทำต่อไปทำนองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจงปฏิบัติกริยาโยคะอย่าได้หยุดแล้วไปให้ถึงองค์พระเป็นเจ้าเสียโดยเร็วทันยูคานันทาก็บอกว่า ท่านปราณพานันทะเนี่ยดูมีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายกำยำลํำสันท่า น, นั่งหลังเหยียดตรงสง่างามน่าชื่นชมนะคะครั้งหนึ่งท่านโยคานันทะก็เคยถามบอกว่าขอความกรุณานะท่านไขข้อข้องใจให้ผมทีเถิด ท่านไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ตัวลงเลยหรือครับและในขณะที่กายสังขารสุดโทรมลงการเข้าถึงพระเป็นเจ้าของท่านได้ลดน้อยถอยลงบ้างหรือเปล่าครับท่านสมบามีปราณพานันทาก็บอกว่าอ๋อไม่เลยพระองค์ทรงสถิตอยู่กับฉันยิ่งกว่าเมื่อก่อนหน้านี้เสียอีกฉันยังเป็นสุขกับเบียบบำนานสองแห่งอยู่เช่นเดิม ที่หนึ่งได้มาจากท่านพระคาาตีพ่อของเธออีกหนึ่งได้มาจากเบื้องบนทันชี้นิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะใบหน้าของท่านผ่องใสเป็นคำตอบที่สมบูรณ์พร้อมยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้น ตอนนั้นท่านโยคานันทะเนี่ยก็แปลกใจเมื่อเห็นมีพันไม้กับมเมล็ดพันพืชเก็บเอาไว้ไม่น้อยก็ถามท่านอาบอกว่าเก็บรวบรวมพืชพันไม้เหล่านี้เอาไว้ด้วยเหตุใดท่านสวามีปราณพานันทะก็บอกว่า ท่านเนี่ยจะไม่กลับไปพาราณสีอีกแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปฮิมาลัยเมื่อไปถึงที่หมายท่านจะตั้งอาสมกับสิทธิ์มเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้เนี่ยจะนำไปปลูกเพื่อที่จะได้มีผักโขมแล้วก็ผักอื่นๆกินเป็นอาหารสิทธิ์ของท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็จะมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าเป็นหลักสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้ <Rac ers> พ่อของท่านโยคานันทะซึ่งเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับท่านสวามีปราณพานันทะก็ถามว่าแล้วเมื่อไรจะกลับมาที่กะรากาต้าอีกท่านโยคียก็บอกว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วปีนี้เป็นปีที่ท่านลาหิริมหาสยะเคยบอกผมเอาไว้ว่า ผมจะจากเมืองพารณสีอันเป็นที่รักไปตลอดการท่านว่าผมจะไปฮิมาลัยและจะละสังขารอยู่ที่นั่นหลายเดือนต่อมาท่านโยคานันทะก็ได้ข่าวคราวของท่านปราณพานันทะจากลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านว่าท่านปราณพานันทะ ได้ละสังขารลาโลกไปแล้วท่านไปตั้งอาสมอยู่ละแวกเมืองฤษีเกตแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความรักวันหนึง่งท่านออกปากว่าจะจัดเลี้ยงคนจำนวนมากจากเมืองฤษีเกตลูกศิษย์ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากเลี้ยงคนตั้งมากมายขนาดนั้นท่นานปราณพานันทาก็บอกว่า นี่เป็นงานเฉลิมฉลองครั้งสุดท้ายของท่านลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เข้าใจก็ช่วยกันตระเตรียมอาหารจำนวนมากซึ่งมีแขกเรือมาร่วมงานร่วม2 0 0พคนเลยทีเดียวพออิ่มหนำสำราญดีแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งบนยกพื้นสูงแล้วก็แสดงธรรมที่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าได้อย่างจับใจท้ายที่สุดทํากลางสายตาของผู้คนนับเป็นพันๆ ท่านก็หันมามองลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าสาณันทันซึ่งนั่งอยู่ข้างท่านบนยกพื้นแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ว่าสานันทันจงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครูจะละจากกายสังขารนี้แล้วหลังนิ่งอึ้งตะลึงงานไปครู่หนึ่งลูกศิษย์ก็ร้องออกมาบอกว่าอย่าพึ่งนะได้โปรดเถิดโปรดอย่าทำเช่นนั้นเลย ท่านก็บอกกับลูกศิษย์ว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าได้โศกเศร้าอาลายัยครูได้ทําประโยชน์ให้กับพวกเธอทั้งหลายมาอย่างเป็นสุขเนื่นนานพอแล้วถึงตอนนี้จงยินดีและอวยพรให้ครูเดินทางไปโดยสวัสดิภาพครูจะไปเฝ้าพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่รักของครูเสียทีหลังกลับไปสู่ปิติสุขในองค์พระเป็นเจ้าเป็นการชั่วคราวแล้ว ครูจะกลับมาเกิดอีกครั้งในเรววันนี้การหวนคืนสู่โลกครั้งนี้ครูจะไปอยู่ร่วมกับท่านบาบาจีเธอจะรู้ในไม่ช้าว่าครูได้กลับคืนมาในร่างใหม่ที่ไหนและเมื่อใดสานันทันครูจะละสังขารด้วยกริยาโยคะขั้นสองที่นี่ในขณะนั้นนะคะฝูงชนเนี่ยไม่รู้เรื่อง เพราะว่าไม่ได้ยินก็คิดว่าท่านกำลังเข้าสมาธิตามปกติจากนั้นไม่นานนะคะท่านอาจารย์ปราณพานันทะก็ละสังขารกายเนื้อจากไปสู่ความกว้างใหญ่ไพศาลแห่งจักรวาลเมื่อลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปจับร่างของท่านที่นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิเพชรร่างนั้น ก็เป็นเพียงร่างอันแข็งทื่อคือทลละสังขารไปแล้วหลายปีต่อมาทัานโยคา น, นันทะเคยถามสานันทันซึ่งเป็นลูกศิษย์ ของท่านปราณพานันทะว่าท่านปราณพานันทะจะไปเกิดใหม่ที่ไหนสารานันท์นผู้เป็นศิษย์ก็บอกว่าตอบไม่ได้หลายปีต่อมาท่านโยคานันทะจึงได้รู้จากท่านสวามีเกสพานันทะว่าหลังกลับมาเกิดในร่างใหม่ได้ไม่กี่ปีท่านปราณพานันทะก็ได้เดินทางไปยังเมืองพัทรีนารายณ์ในเทือกเขาหิมาลายัย และกลายเป็นหนึ่งในบรรดาโยคยีผู้รายร้อมอยู่รอบกายของท่านบาบาจีผู้ยิ่งใหญ่นี่คือชีวิตยโยคยีที่มีความลี้ลับมหัศจรรย์แต่ขณะเดียวกันโยคยีเหล่านี้มุ่งสู่ <am> ธรรมะมุ่งสู่การเข้าถึง เพราะเป็นเจ้าแล้วก็สละแล้วซึ่งชีวิตทั้งโลกทั้งปวงจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีท่านประมะหังษาโยคานันทะเป็นหนังสือที่อ่านสนุกอีกเล่มหนึ่งนะคะ<ม>แล้วก็มีเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจหลายอย่างวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ ไม่ทางี